เป็นหัวข้อเรื่องที่จะพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมาดาเพราะฉะนั้นเราสวดอภิธรรมมานา น, นเนรือเกินละว่าอภิธรรมทําไมต้องสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ส่วนสักหกคัมภีร์ไม่ได้หรือสักแปดคัมภีร์ไม่ได้หรือสักสามคัมภีร์ไม่ได้หรือมันจะได้ไม่สวดเยอะเกินไปนะทําไมต้องเจ็ดคัมภีร์นะแล้วปรากฏว่า <c oughs> สวดให้คนตายวันนี้เราพาสวดทําว่าสวดมนต์แปลเนี่ยไม่ลืงไม่ใช่เรื่องธรรมดา น, นีะธรรมดาก็ไม่ทํากันใช่ไหมแต่เราเป็นชาวพุทธเราต้องทําสิ่งที่ไม่เป็นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะต้องทําดีกว่าธรรมดานะดังนั้นสวดทั่วไปเป็นการไม่ต้องแปลเป็นเรื่องธรรมดาแต่สวดแล้วเราแปลไม่ใช่เรื่องธรรมดานะดังนั้นเองวันนี้อภิธรรมมันอาจจะไม่ใช่เจ็ดคำพีนะเราก็ฟังแล้วกันที่ไม่ใช่เจ็ดเป็นอะไรนะ คำว่าอภิธรรมเนี่ยสมัยก่อนท่านใช้คําว่าปรมาธรรมนะใช้คำสองคาคือส ม, มุติธรรมกับปรมาธรรมอ่าแค่แค่สองคำนะต่อมาก็มาเป็นสามขึ้นมานะมาเป็นพระวินยัยพระสุตันตะและพระอภิธรรมเป็นสามขึ้นมานะพระพระวินยัยตอนแรกก็มี พระธรรมและวินัยต่อมาก็เป็นพระอภิธรรมนะดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องที่ธรรมดาเราก็จะได้กล่าวต่อไปและทำไมเราจะต้องเอาเรื่องของอภิธรรมมาสวดเฉพาะคนตายคนเป็นสวดไม่ได้หรือนะเราบอกเออเนี่ยอภิธรรมเจดคัมภีร์เนี่ยรพระ เ, เจ้าท่านเสด็จไปโน่นไปแสดงอยู่บนสวรรค์ชั้นอะไรนะชั้นดาลึงดิชั้นดูสิท่านเสด็จไปประทับอยู่ชั้น ดุสิตแต่เวลาจะแสดงธรรมต้องแสดงที่ชั้นดาวเวดึงเพราะเหตุไรน้าน่าจะต้องมีเหตุผลนะเออถาถามว่าเพราะเหตุไรทําไมต้องวิ่งไปวิ่งมาให้ลาบากล่ะเอออยู่ไม่รู้ไอสวรสด์ชั้นดาวดึงกระดุสิตมันห่างกันไม่รู้เท่าไหรนะ่เนียทําไมท่านวิ่งไปวิ่งมาไม่ลำบากหรือคิดกันบ้างไหมไม่คิดเพราะว่าเราเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องคิดแต่วในนี้เราต้องคิดเพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะดังนั้นเองอภิธรรมเจ็ดคำพี อ่าเราก็เป็นพรรษาที่เท่าไหร่นะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงหลังจากที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วเป็นพรรษาที่เจหลังจากที่พระ อ, องค์ตรัสรู้ท่านตรัสรู้พระชนมายุ35พรรษาเพราะฉะนั้นท่านขึ้นไปแสดงธรรมที่กันนี้ที่ในสวรรค์ชัน้นดุสิตในพรรษาที่ท่านเป็นพรรษาที่เท่าไหร่35นับไปหลังนะั้นเปีเป็น 40, สี่สิบเพ่ออะไร สี่สิบสองใช่ไหมอ่าหายที่สี่บสองโดยมาปารบว่านะมาปรบว่าแต่มันก็ตรงกับที่ท่านไปโปรดไปยุระญาติหลังจากแตสรุ่งเจ็ดปีใช่ไหมที่ท่านเสด็จไปที่เมืองกบิลพัฒน์นะพรรษาที่เจ็ดเหมือนกันเออพรรษานั้นไปไปจำพรรษาที่นครกบิลพัฒเพื่อโปรดญาติใช่ไหมแล้วพรรษาที่เจ็ดเหมือนกันเอประวัติศาสตร์ตัวนี้ขัดกันหรือเปล่าพรรษาที่เจ็ด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 อันนั้บอกว่าไปแสดงคำที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็อยู่คนละชั้นกับพระมารดาใช่ไหมพระมารดาไปไปสูตรไปอยู่ติอยู่ชั้นดุสิตนะแล้วสวรรค์มีกี่ชั้นกันล่ะอ่าหกชั้นน่าจะมีเจ็ชั้นเนาะเพราะั้งเจ็คอมพีทําไมหกชั้นนะหลักฐานสักขัดแย้งกันทีนี้ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ ชั้นที่หนึ่งก็คือสวรรค์ชั้นอะไรจารุมหาราชชั้นที่สองสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สามสวรรค์ชั้นยามาชั้นที่สี่สวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่ห้าสวรรค์ชั้นนิมานรดีชั้นที่หกสวรรค์ชั้นปะรินิมิตสวัสดีใช่ไหมสวรรค์หกชั้นนะทีนี้แต่ละ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 นิทานชาดกต่างๆในเรื่องของสวรรค์หกชั้นก็ดีพรมสิบหกก็ดีก็มีทั้งเปลือกและทั้งเนื้อมีทั้งสมมติสัจจะและมีทั้งปรมาตาสัจจะดังนั้นอภิธรรมก็คือตัวปรมาจพระวินัยและพระสูตรเป็นตัวสมมุติในตัว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 ไปโดยบังเอิญเพราะโยมข่านิมูลไปไปเผยแพร่ไปเทศนาเรื่องวิปัสนาแต่ว่าโยมทายิกาตายในช่วงนั้นพอดีพุทตมาก็เลยได้ไปสวดเลยว่าด้วยบุญของทายิกาคนนั้นคนอายุเก้าศีฟาทําไมใสขนาดนี้ศพใ ส, สเลยน ะ, ะแล้วก็น่ายัางยังดูประมาณคนสัก70็ดสินั่นเองบุญกุศลย่างคุ้มครองแม้กระทั่งตายแล้วนะไม่ต้องทาไสาปลอกหอกสายยางนอนตายธรรมดาเหมือนนอนหลับ ก็ปรากฏว่าพอไปสวดงานนั้นก็สวดพร้อมกันนะมากักเออถ้าเมืองไทยเหล่านี้เอาแบบนี้ก็ดีนะเผื่อว่าในวันข้างหน้าพระเหลือที่วัดองค์เดียวก็ไม่ต้องนิมนต์สี่รูปห้ารูปใช่ไหมนิมนต์พระไปองค์เดียวแต่ว่าโยมสวดกันทั้งหมดเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปพระอยู่ยากเนาะพระจะอยู่ลำบากยากขึ้นเพราะพุทธศาสนาถูกภัยเบียดเบียนหลายด้านพระเดี๋ยวนี้มีแต่วัดต่างๆวังบนนอกมีแต่วัดหลวงะนะฮะวัดลาดไม่เคยมีแล้วรู้จักไหมวัดหลวงอะไร ว่าหลวงตามีหลวงตาเฝ้าวัดวัดละองค์สององนั้นเนนกไ็ไม่เคยมีบวชละท่านนั้นเองก็วัดก็จะล้างไปต่างๆทีนี้อภิธรรมเจ็ดคำพีขึ้นต้วนว่าอาท่านใช้คําว่าธรรมะสังคีนีเนาะก็ขึ้นต้นสวดกุศลธรรมากุศลธรรมะอภิญญาตาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็มีธรรมที่ดีก็มีธรรมที่ไม่ดี ก็มีทำที่ยังไม่แน่ก็มีดีมีมีสามทำนะหนึ่งทาที่ดีสองที่ทำที่ไม่ดีสามที่ทำไม่แน่ไม่แน่นอนว่าจะเป็นอะไรอพยากะตะยังพยากรณ์ไม่ได้ว่ามันมันดีหรือไม่ดีท่านทั้งหลายนั่งรู้สึกไงบ้างตอนนี้นั่งสบายหรือไม่สบายนั่งมาเป็นชั่วโมงรู้สึกสบายหรือไม่สบายความไม่สบายนี่ดีหรือไม่ดีไม่ดีลองขยับดูสักนิดดีดีไหมดี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 ถ้าจะทำให้ไม่ว่าวัตถุกระามนามมาทำก็ตามถ้าจะทำให้มันดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้น้าฝนตกลงมาไหลลงเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันไหลขึ้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเรานั่งไปนานๆนนปวดขาปวดแข้งเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่งแล้วไม่ให้มันปวดเนี่ย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 จิตมัน ก, ก็จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่สบายคนเราถ้ากายไม่สบายจิตมัน ก, ก็จะคิดใช่ไหมมัน ก, ก็จะฟุ้งไปละคิดโน่นคิดนี่แต่คนเราฟังแล้วถึกจิตสบายเททั้งคืนก็ดีแล้วถึกฟังแล้วสนุกอันนี้ข้าจิตเป็นละเจ็ตเป็นกุศลแล้ใช่ไหมก็จะคิดไปทางที่ดีเราก็จะได้บุญนะนัะน่นเราจะเห็นว่าเรื่องกุศลอกุศลเดี๋ยวไปคิดไปลึกนะคิดเอาง่ายๆอย่างเนี้ยทานข้าวอาร่อยสบายหรือไม่สบายอทานข้าวไม่อร่อยสบายหรือไม่สบาย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 อ่าเอาชักมั่วหรือเปล่าองค์นี้เอาให้ทันนะตามให้ทันนะตามไม่ทันนะมั่วแน่เหมือนนะมั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมะอพยากตาธรรมะเนี่ยทำที่ดีคําว่ากุศลเนี่ยทําไมถึงคําว่าบุญกุศลถ้ามันเหมือนกันทําไมไม่ใช้คําเดียวกันที่ทําให้นคนละคำไม่เหมือนกันนะคําว่ากุศลเนี่ย เพราะพุทชาวอินเดียยืมมาจากคําว่าหญ้าชนิดหนึ่งเรียกว่ายากกุษายญ้ากูสาแปลว่าหญ้าอะไรเคยได้ยินไหมยญากูสาเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่โสติยพราหม์ได้ถวายพระองค์ท่านระหว่างทางที่ท่านไปลอยถาดกลับมาสู่ที่โพธิบันรังในระหว่างทางพราหมผู้หนึ่งชื่อว่าโสธิยพราหมณ์ได้ถวายหญาคากี่กรมือ แต่กำมือแล้วพระองค์ก็ได้นํำญากุษานั้นมาปูราตที่อาสนะเหนือบาลังใต้โพธิบาลังชื่อว่าญากุษาเราเอามาแปลเป็นภาษาไทยว่าญา้าญ้าค า, า, คา <laughs> เราจะญาคานั่นแหละญาคาเนี่ยทำไมจึงเอาชื่อของญาคามาตั้งชื่อของกุศลมากุศาเนี่ยเพราะญาคามีคุณสมบัติหประการวันนี้โยมชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเกษตรต้องตอบให้ตรงนะว่า ยักคาเนี่ยมีคุณสมบัติกี่อย่างโยมที่เป็นชาวไร่ชาวนามีไหมชาวไม่สดมีคุณสมบัติกี่ประการหนึ่งยักคามีลักษณะเป็นไงยัาคามีหนามไหมมี น, อ, มนอนเลยนอนน่ะเขาเรียกว่าอะไรของมันนามหนามมันแหลมหรือมันมันทู่นามแหลมหนึ่งไม่นามแหลมสองลากสีดําหรือสีขาวรากยักคาลากสีขาวสามลากขา ย, ยากลากยาวหรือลากสั้น ลากยาวไปทั่วเลยนะสี่ย่าคาตายง่ายหรือตายยากตายยากห้าย่าคาใช้ประโยชน์อะไรใช้หลังคาแม้จะคุณจะมุงสังกสีเมทชนชีตกับเบื้องก็ะดำก็เรียงเรียงเรียกว่าหลังอะไรหลังคาไม่ได้เรียกว่าหลังเมทชนชีดไม่ได้เรียกว่าหลังสังกสีไม่ได้ว่าเหลียงหลังกระเบื้องก็ยังเรียกว่าหลังคาเพราะจะมีเพื่อเป็นอนุสอนแก่ย่าคาแม้มันจะหมดไปแล้วก็ตามนะก็ยังไม่หมดนะ คนคนที่จะมีกุศลก็มีคุณสมบัติหาประการหนึ่งคนที่มีกุศลต้องเหมือนรากยาคาคือจิตต้องสะอาดคือจิตขาวเหมือนรากยาคายาคาหนี่ถอนมาแล้วนี่ไม่ต้องล้างนะเคี้ยวกินได้เลยนะอาตมาสมัยเป็นเด็กถ้าหิวน้ําขึ้นมาก็ถอนรากยาคาออกมาเคี้ยวกินหวานด้วยหวานปลาแรมปลาแลมไม่จัดนะอ่าหนึ่งรากยาวสอง คนดีกุศล น, นั้นต้องแหลมคมฉลาดและแหลมคมเหมือนรักยาขาสามลักยาขานัน่นหากินไกลและยาวลึกคนที่มีกุศล น, นั้นชอบสแสวงหาสิ่งที่ดีๆที่นำให้เกิดปัญญาแหลมคมลึกซึ้งหากินไกลก็หมายความว่าชอบหาความรู้ใส่ตัวชอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใ, ใส่ตัวเรียกว่า มีคือสแสวงหาไปทั่วอะไรดีๆนะอะไรที่ดีๆเนี่ยย่าขาเมื่กันมันไปหลละแห่งมันต้องไปสแสวงหาธาตุอาหารใส่รากใส่ต้นของมันสี่ยาา่าคาคุณทางแล้วเผาอีกทางแล้วเผาอีกทุกปีมันตายไหมได้น้ำได้ฝนมันก็เป็นไงงามขึ้นกวเก่าใช่ไหมวันนี้ไถแล้วมันก็ยังไม่ตายทำไงสมัยนี้ใส่ ย, ยาค่ายาไปเลยเนะโอ้ อลนะุนนะเหมือนกันคนที่มีกุศลมีคุณสมบัติท่าอย่างหนึ่งมีคนเป็นคนใจซื่อมือสะอาดขาวเหมือนลากยาคาสองเป็นคนแสวงหาความรู้และสุ ป, ประสบการณ์ใหม่ๆเสมอเหมือนความลึกและยาวของรากยาคาสามเป็นคนที่มีปัญญาปฏิพันธ์ไบพิพิที่แหลมคมเหมือนหนามยาคา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 เพราะนั้นคําว่ากุศลเป็นเหตุห้าประการนี้ไหวไหมใครมีคุณสมบัตอบอิอย่างนี้บ้างอ่างั้นคนส่วนใหญ่ชอบทําบุญหรือชอบทํากุศลชอบทําบุญเพราะมันจะได้นั่นได้นี่นะได้สวรรค์ได้ราบได้รวยได้หวยได้เบอร์ได้โชคได้อะไรไปเรื่อยๆแหละชอบทําบุญแต่การทํากุศลนั้นจะต้องทำเนืองเว้นชั่ว สัพ ป, ปาปะภาษากรรณาสองกุศลสู้แบบสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรู้จักเลือกและฉลาดเลือกกุศลแปลว่าฉลาดแปลว่าแหลมคมไม่ใช่ว่าถึงเพรา ะ, ะเป็นเรามักแปลง่ายๆละชั่วทําดีทําจิตให้สะอาดแจม่มใสแล้วนี่มันธรรมดาเหลือเกินแต่มันใจง่ายๆมันน่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยทําดีแต่ไม่ละชั่ว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 คุณเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างคุณขี้บ่นขี้ด่าพูดปูดซอยเสียดหลอกลวงอยู่เป็นประจำอันนั้นชอบทําดีแต่ไม่ละชั่วมันถึงทําดีจึงมาบ่นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีมีถมไปทําชั่วแล้วได้ดีมีถมไปทํา ด, ดีได้ดีสับสนไหมทาดีทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วแล้วได้ดีมี โมไปอันนี้เป็นภาสิทธ์ของบัณฑิตชนหรือภาราชนาาเป็นภาระบัณภาราชนนะเป็นภาละ า, าสิทธ์ไม่ใช่พุทธภาสิทธ์นะเป็นภาลภ า, าสิทธ์นะดังนั้นท่านบอกว่าทําข้อที่สามเนี่ยคือทําจิตให้ดีเสมอนะทากายดีวาจาดียังไม่พอทําจิตให้ดีเสมอ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 หน้าบานหน้าไม่หิวนะไม่ใช่หน้าบางนะหน้าบานนะคนใจดีนะัน่นนะเหมือนดอกไม้มันจะบานได้แสดงว่าต้นเขาเงากอเป็น ไ, ไงต้องสมบูรณ์ต้องดีใช่ไหมดอกมันถึงบานเพราะฉะนั้นเราเป็นคนใจดีไม่ใช่ดีใจเวลาคุณได้ของมาคุณก็ดีใจ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 เพราะฉะนั้นกุศลาธรรมากุศลาสมาไม่ต้องไปไกลกว่านะั้นเอาแค่นี้พอแค่สามพอถ้า จ, จบหมดต้งข้อนกะ็คืนนี้ไม่ได้กลับบ้านกันแน่นะห <c oughs> ลวงพ่อกาลังมองหาน้ำอยู่นะเดี๋ยวหลังจากบรรยายแล้วเปิดโอกาสให้ให้ถามปัญหานะครั้งหนึ่งอาจามาไปอบรมสมัยก่อนอบรมพวกเด็กนักเรียนในในเมืองไทยนะอ้าวใครมีปัญหาะไรถามยกมือขึ้น เงียบทั้งห้องเลยนะขยันขยอ้อยถามก็ไม่ถามเมื่อปี40เนี่ยเอามาได้รับนิมนต์ไปอบรมวิปัสนาครั้งแรกที่วัดจงเหยียนแล้นิวยอร์กเมืองคาร์เมลซิตี้อยู่นั้นประมาณ6เดือนทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งในเดือนมิถุนาเนี่ยเขาเรียกเป็นซัมเมอร์แคมป์โรงเรียนต่างๆเขาอยู่ในช่วงซัมเมอร์แล้วเขามาเข้าแคมป์เขาเรือกซัมเมอร์แคมป์ที่วัด น, นะะเป็นวัดจีนวัดจงเย็ยน อบรมอยู่4วันวันสุดท้ายเนี่ยเขานิมนุนพระไปอบรมเขานิมนุนพระพระสว่วนใหญ่เป็นพระจีนเนาะแต่มีพระไทยธรรมาอยู่รูปเดียวเขานิมนุนไปอบรมกรรมฐ า, านที่นั่นตอนนั้นภาษาอังกฤษยังงูป่าอยู่เลยเขาบอกอาธมาภาษาอังกฤษไม่ไดีไม่เป็นไรมีล่ามเมื่นไงนีมีล่า ม, ม, า <c oughs> ม, ามก็เลยไปตอนแรกก็ใช้ล่ามเอามาภาษาอังกฤษมันไปยังไงไปเรื่องไปของมันทั้งหมดเลยถามสุดท้ายว่าอาอันนี้ question p ยกมือขึ้นเพีอบทั้งเด็กประมาณ200คนนะ